ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ได้ประกาศที่จะมานมัส ก, การร่วมกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ทางตาลเป็นวันแรกที่เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของชีวิตของพระเยซูบนโลกนี้ดังนั้นเองหัวข้อของผู้ชนะของพระเจ้าในวันนี้นะคะก็คือบนเส้นทางสู่กรุงเยรูซาเล็มพี่น้องคะในเวลาที่เราอ่านพระกิติคุณเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นมัทธิวมารโกลูกาหรือว่าพระธรรมยอนเนี่ยเราจะพะว่าเรื่องราวสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูนี้นะคะปรากฏในตอนท้ายของทุกเล่มเยอะแยะเลยมีรายละเอียดมากพอสมควรทีเดียวโดยที่ว่ามักจะเริ่มต้นในเรื่องของการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มซึ่งหมายถึงวันนี้นั่นเองวันอาทิตย์ทางตาล ะะและจะจบลงด้วยเรื่องของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูกิตหรือว่าในวันอีสเตอร์นั่นเองเราอาจจะแปลกใจที่ว่าทำไมพระเยซูกิตทำพันธกิจสาปีบนโลกนี้เยอะแ ย, ยะเลยแต่เนื้อหาในพระกิตติคุณทั้งทุกเล่มเลยนะคะจะเห็นเรื่องราวในสัปดาห์สุดท้ายนี่มากเป็นพิเศษทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลก็คือว่าสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูกิธบนโลกนี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้าย ที่แผนการของพระเจ้าสําเร็จด้วยแผนการการทรงไถ่ของพระเจ้านะคะเริ่มต้นตั้งแต่ในสวนเอเดนแล้วแล้วก็การที่พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมตลอดมาจนกระทั่งพระเจ้าพระองค์เองเนี่ยทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในสภาพขององค์พระเยซูคริสดังนั้นชีวิตที่สมบูรณ์ก็ดีสิ่งที่พระเยซูคริสทรงทำทั้งหลายทุกอย่างก็ดีในสัปดาห์สุดท้าย จึงเป็นเรื่องของการอภัยยโทษบาปและการประทานชีวิตใหม่ให้กับเราทั้งหลายทุกคนใบวันนี้นะคะเราจะใช้พระคัมภีร์ไม่อาจจะเราจะใช้พระคัมภีร์กันมากหน่อยนะคะหวังว่าพวกเราคงจะมีพระคัมภีร์กันเราจะดูเรื่องราวของพระธรรมมารโกบทที่10ด้วยกันเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูจะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม เป็นเหตุการณ์สุดท้ายก่อนสัปดาห์สุดท้ายอีกทีหนึ่งจะเข้าใจพระธรรมตอนนี้ได้ต้องดูบริบทของพระคัมภีร์นิดหนึ่งเหตุการณ์ที่เมื่อกี้นี้เราอ่านไปในข้อที่46ถึง52ใช่ไหมคะถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้ขึ้นไปเราจะพบกับเรื่องที่ไม่ค่อยจะน่ายินดีนักในข้อที่33ถึง34ถ้าเรามีพระคัมภีร์ดูไปด้วยกันนะคะ ในเวลานั้นนะคะข้อ 33- มสถึงสาพระเยซูนะครับได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าพวกเขานะครับกำลังจะตามพระเยซูเข้าไปเยรูซาเล็มและที่นั่นเนี่ยนะครับพระเยซูเนี่ยจะถูกทรยศ์พระองค์จะถูกจับจะถูกเขี่ยนคนจะถมน้ําลายคนจะเยาะเยะ้ยและสุดท้ายพระองค์จะถูกตรึงที่กางเขนแต่หลังจากนั้นสามวันพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องคะดูพระคัมภีร์นะคะ เปเยซูพูดจบในข้อที่สาสิบสี่ข้อที่สามสิบห้าถึงสาสิบเจ็ดพระคัมภีร์บันทึกว่ายากบกับยอนบุตรของเซบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ข้าพระองค์ทั้งสองอยากจะขอให้พระองค์ทำตามคําทูลขอของพวกข้าพระองค์พระองค์จึงตัดถามเขาทั้งสองว่าท่านทั้งสองอยากจะให้เราทําอะไรให้พวกท่านพวกเขาก็จึงทูลตอบพระองค์ว่า เมื่อพระองค์จะทรงรับเกียรตินั้นขอให้พวกข้าพรวงนั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งข้อพระคำที่ดิฉันอ่านอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะท่านอาจจะใช้วอร์ชั่นที่ต่างจากดิฉันแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นประมาณนี้นะคะใกล้เคียงกันพวกเราคะถ้าเราอ่านถึงตอนนี้เรารู้สึกสบายใจไหมสมมุติว่าเราเนี่ยบอกกับเพื่อนรักของเราว่านี่เธอหมอเพิ่งบอกฉันว่าฉันเป็นมะเร็งไร้ อีกเจ็วันฉันจะต้องตายเพื่อนรักของเราฟังแล้วพูดจบอย่างนี้แล้วก็บอกว่าโอ้จริงๆหรอถ้าอย่างนั้นตําแหน่งของเธอยกให้ฉันละกันเป็นแบบนี้เลยนะคะในเวลานั้นพระเยซูเพิ่งกล่าวเตือนนะครับบอกล่วงหน้ากับสาวกของพระองค์นะครับว่าพระองค์กําลังจะไปตายแต่พวกเขากลับต้องการตําแหน่งและต้องการกรติยศชื่อเสียง และเมื่อพวกเพื่อนสาวกที่เหลือนะครับได้ยินคำทูลขอของยากบกับยอนนะครับพวกนั้นรู้สึกโกรธมากที่จริงเราไม่รู้ว่าพวกเขาโกรธอะไรนะโกรธที่คิดไม่ทันยากบกับยอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างไรก็ตามพระคัมภีตอนนี้กําลังทําให้เราเห็นทําให้เรารู้สึกได้ถึงการแข่งขันกันระหว่างหมู่พวกสาวก ดังนั้นเองนะคะพระเยซูคิตจึงบอกพวกเขาในข้อที่4 3่สาสี่สิห้าดังนี้ในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติของท่านทั้งหลายและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของคนทั้งหลายเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าถ่คนจานวนมาก จากตรงนี้เองก็มาถึงข้อที่เราอ่านไปในข้อที่46ถึง52เหตุการณ์ต่อเ น, นื่องกันเราต้องมาดูประการแรกด้วยกันก่อนประการแรกก็คือมารู้จักผู้ชายคนนี้ชายตาบอดที่ชื่อบาร์เทเมอัสกอนทำไมเรื่องของชายตาบอดคนนี้ได้รับการบันทึกต่อไว้ตรงนี้ที่นี่สิ่งที่น่าสนใจมากเนี่ยหากเราอ่านนะครับ ทั้งนแมทธิวมารโกลูกาทั้งสมเล่มนี้มีเรื่องของชายตาบอดคนนี้แต่มีที่นี่ที่เดียวในพระธรรมมารโกบทที่สิที่มีการบันทึกชื่อของบาเทเมอสไว้ทำไมเป็นไปได้ว่ามารโกนี่อาจจะต้องการให้เรานะคะที่เป็นคนอ่านเนี่ยเห็นความแตกต่างระหว่างสาวกที่กำลังถกเถียงกันว่าใครน่าจะขึ้นเป็นใหญ่และมีอานาจ และอ่านเทียบกับชายตาบอดคนนี้ที่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจพระเยซูคริสต์มากกว่าสาวกของพระเยซูเสอีกพระเยซูนะครับทรงถามยากบกับยอนในข้อที่36นะครับเหมือนกับที่ทรงถามกับบาธิเมียสในข้อที่51เเป็นคำถามเดียวกันเลยพระองค์ถามว่าท่านต้องการให้เราทำอะไรให้ท่านหรือเมื่อกี้ที่ผู้นำอ่านไป เจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรให้กับเจ้าเป็นคำถามเดียวกันเลยในขณะที่ยากอบกับยอนบุตรของเซบีดีนะครับทูลขอตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศแต่บาธิเมอัสชายตาบอดคนนี้ทูลขอการรักษาให้หายดังนั้นเองมารโกจึงตั้งใจบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ให้เราเห็นเปรียบเทียบกันเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในเขตแดนเมืองเยริโค ต้องเข้าใจกันนิดนึงก่อนว่าเมืองเยเลโคเมืองนี้เป็นคนละเมืองกับที่โยชิวาไปตีเอาได้นะครับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในทะเลทรายเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่มีแหล่งน้ําใหญ่มากมีเป็นแหล่งน้ําโอเอซิสจึงมีต้นไม้มากมายนะครับเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่เมืองนี้จึงเป็นเมืองทางผ่านมีผู้คนเนี่ยสัญจรภัยมาและชอบมาแวะพักที่เมืองนี้ ด้วยความที่มีคนสัญจรไปมาแวะพักบ่อยๆดังนั้นเองพวกคนที่เป็นคนขอทานนะครับหลายคนอาจจะต้องเข้าคิวเพื่อเข้าในมือนี้มาหากินด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราอ่านเรื่องนี้นะครับในพระธรรมแมทธิวเราจะพบว่าในพระธรรมแมทธิวบันทึกว่ามีชายตาบอดสองคนนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพราะคัมภีร์ของเราเนี่ยขัดแย้งกันนะคะเป็นไปได้ว่ามใชายตาบอดสองคน แต่คนหนึ่งในสองนั้นนะ่ะคือบาเทเมอัสเป็นคนที่ส่งเสียงร้องดังที่สุดและมาราโกก็เลยบันทึกชื่อของเขาไว้ที่นี่มาราโกบอกพวกเรานะคะบอกว่าผู้ชายคนนี้บาเทเมอัส e บุตรของทิเมอัสที่จริงคำว่าบาระนี่นะคะแปลว่าบุตรชายของเหมือนกับยากบกับยอนเนี่ยได้รับการบันทึกว่าบาระเศบดี body, บุตรชายของเศบดีนั่นเอง มาโกตั้งใจเขียนเปรียบเทียบกันและเนื่องจากผู้อ่านพระธรรมมาโกเป็นคนที่ไม่ใช่คนยิวเขาจึงอธิบายว่าบาธิเมอสบุตรชายของทิเมอสนั่นเองเป็นไปได้ว่าบาธิเมอสนะครับมาขอทานประจำที่เมืองยิลค์คูนีเขาอาจจะมีที่นั่งประจำดังนั้นเองตัวเธอเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมา บางทีบาติเมอสจะได้ยินเสียงคนนะครับคุยกันทำให้เขาเนี่ยรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นพี่น้องอย่าลืมนะครับบาติเมอสเนี่ยเป็นคนตาบอดสิ่งที่ยากที่สุดของคนตาบอดก็คือเขามองไม่เห็นแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คนไม่อยากเห็นเขาพูดง่ายๆเป็นคนที่ไม่ใครใส่ใจไม่มีคนอยากยุ่งด้วยไม่มีใครสังเกต ไม่อยากมองหน้าคนนี้คนส่วนใหญ่ที่เดินไปเดินมาก็มักจะเดินมาแล้วก็ผ่านเลยไปไม่มีใครสนใจกับความทุกข์ของบาธิเมอัสหรอกบางครั้งบาธิเมอัสอาจจะได้ยินเสียงคนโยนเหรียญลงมาในกระป๋องเงินเธออาจจะกล่าวขอบคุณหรือไม่เธออาจจะรู้สึกอาจจะรู้สึกได้จากเสียงที่โยนลงมาในกระป๋องเงินเรากับว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับได้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้ว เดินผ่านมาแล้วก็โยนเงินแล้วก็เดินผ่านไปบาติเมสกลายเป็นบุญให้คนเหล่านั้นได้ทําดังนั้นเองความรู้สึกเหล่านี้อาจจะเป็นความเจ็บปวดของคนที่พิการหรือมีปัญหามีความทุกข์แบบนี้อยู่ก็ได้นอกจากนี้นะครับคนเหล่านี้นะครับอาจจะต้องเผชิญกับความรู้สึกของการถูกเยาดยามหรือว่า คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอาจจะรู้สึกรําคาญเธอรู้สึกว่าเธอเกะ ก, กะไม่อยากให้เธออยู่เท่าๆนั้นอะไรค่ะเมื่อกี้ประการที่หนึ่งเรารู้จักบาธิเมียสเปลาประการที่สองกา ร, รเผชิญหน้ากับพระเยซูวันนั้นนะคะในพระคัมภีร์บันทึกไว้เป็นวันพิเศษพิเศษยังไงมีคนมากมายเป็นพิเศษในเมืองเยริโคมาก ผิดปกติจนกระทั่งบาธิเมอสัสต้องถามคนข้างๆว่าเกิดอะไรขึ้นและจะมีคนอธิบายให้เธอฟังว่าพระอาจารย์เยซูผู้โด่งดังณเวลานั้นนะคะชื่อเสียงของพระเยซูคริสต์เนี่ยดังไปไกลมากแล้วทําให้เธอทราบ ว, ว่าพระอาจารย์เยซูกําลังเสด็จผ่านเข้ามาในเมืองเยรีโคนี้แน่นอนว่าบาธิเมอสต้องเคยได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของพระเยซูนะคะคนตาบอดเนี่ยพวกเราเชื่อไหมคะพวกเขาเนี่ยจะมีเซนส์พิเศษ หรือว่ามีความรู้สึกเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าเมื่อพระเยซูเดินผ่านมานะครับบาเิเมสรู้รู้เลยทันทีนะคะว่าพระเยซูเนี่ยกำลังเดินผ่านมาดังนั้นเองสิ่งที่บาเิเมอส์ทำก็คือตะโกนเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพลงเถิดทำไมต้องตะโกนเพราะว่าคนมันเยอะต้องกระชากความสนใจไม่งั้นพลาดโอกาส คำว่าบุตรดาวิดเป็นคําที่แสดงถึงพระเมสสิยาห์คนยืนในเวลานั้นทุกคนนะทราบดีว่าพระเมสสิยาห์ผู้ที่พวกเขารอคอยเนี่ยเป็นผู้ปลดปล่อยจะมาเกิดในชื้อสายของดาวิดดังนั้นพวกเขาจึงคุ้นเคยกับวลีบุตรดาวิดเป็นอย่างดีดังนั้นคําตะโกนเรียกเช่นนี้นะคะแสดงว่าบาเทเมอัสเนี่ยต้องคิดว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ พี่น้องเขาขนาดบาธิเมอัสเป็นคนตาบอดนะคะชายตาบอดคนนี้กลับมองเห็นในสิ่งที่คนสายตาดีมองไม่เห็นเขาเห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาและเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อนาจสามารถรักษาเขาได้ไม่มีใครทําได้เหมือนพระเยซูบาธิเมอัสไม่ได้นั่งเงียบๆและปล่อยให้พระเยซูเดินผ่านไปแต่เขาร้องตะโกน พี่น้องคะเสียงตะโกนของบาทยิบอัสนะครับทําให้บางสิ่งบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นพราะคมภีร์บันทึกว่าพระเยซูทรงหยุดทรงหยุดฟังเสียงตะโกนเรียกนั้นและตรัสว่าไปเรียกคนนั้นมาพูดง่ายๆพระเยซูก็กำลังจะบอกว่าฉันจะไม่เดินต่อไปไหนเลยถ้าพวกเธอไม่ไปพาคน ท, ที่ตะโกนเรียกฉันมาหาฉันตอนนี้ เมื่อเราอ่านมาถึงตรงนี้แล้วเราพบว่าพระคัมภีร์บันทึกบาธิเมอัสได้ทิ้งผ้าหม่มลุกขึ้นมาหาพระเยซูพี่น้องคะผ้าห่มนี่นะครับเป็นเหมือนผ้าห่มซึ่อคุมสำหรับคนยิวแล้วเนี่ยผ้าคลุมเนี่ยสำคัญมากเป็นผ้าหม่มคลุมกันร้อนกันหนาวดังนั้นเนี่ยสำหรับชายตาบอดอย่างบาธิเมอัสนะครับ ผ้านี้จึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขาเป็นผ้าห่มที่สําคัญมากอาจจะเป็นผ้าชิ้นเดียวที่เขามีแล้วเราเข้าใจใช่ไหมยังจําได้นะบ้านที่มีแสตาบอร์ดคงไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะวางผ้าห่มไว้ที่พื้นกลางถนนเขาขอทานอยู่กางริมนั่งที่พื้นริมกลางถนนนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะวางผ้าห่มไว้แล้วก็เดินไปหาพระเยซูและจะกลับมาเก็บผ้าห่มที่ตัวเองวางทิ้งไว้ที่ถนนคงไม่ใช่อย่างนั้น หมายความว่าการที่เขาบอกว่าทิ้งพระหอมนั่นหมายความว่าเขาโยนทิ้งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สนใจมันอีกเลยอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตบัดนี้บาธิเมสัสทิ้งลงแล้วพอพระเยซูเรียกตัดนะครับเขาทิ้งมันกระโดดขึ้นไปหาพระเยซูคริสทันทีเลยพระเยซูคริสถามบาธิเมอัสนะครับเหมือนกับที่ทรงถามยากบและยอนในข้อที่36มหกเรียนอ่านให้ฟังอีกครั้ง เจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้กับเจ้าบาธิเมียสตอบว่าท่านอาจารย์เขาโปรดให้ตาข้าพลงเห็นได้พระคำพีที่เราอ่านบังเล่มนะีอย่างเล่มที่ดิฉันถืออยู่ใช้คำว่าท่านอาจารย์แต่แท้จริงแล้วบาธิเมียสเรียกพระเยซูว่ารับโบนีคำว่ารับโบนีเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าอาจารย์ธรรมดาธรรมดา คำว่ารับโบณีมีความหมายว่าพระองค์เป็นทั้งพระอาจารย์และเป็นองค์เจ้านายด้วยเรื่องนี้จึงน่าสนใจมากเพราะว่ามารโกบันทึกเรื่องนี้ไว้นะครับต้องการให้เราเห็นว่าสาวกที่แท้จริงผู้ที่อยู่ในสภาพของชายตาบอดเนี่ยยากจนกับเป็นคนที่ตระหนักว่าพระเยซูที่กำลังพูดกับเขานั้นเป็นองค์เจ้านาย พระเยซูเพิ่งสอนสาวกของพระองค์นะครับถึงความสําคัญของการเป็นผู้รับใช้นั่นคือผู้รับใช้ต้องรับใช้องค์เจ้านายในขณะที่สาวกล้มเหลวในความเข้าใจนี้นะครับชายตาบอดอย่างบาธิเมอัสกลับมีความเข้าใจอย่างถูกต้องบาธิเมอสนะครับไม่ได้กล่าวอวดอ้างความดีต่างๆที่ตัวเองเคยทํามาในอดีต เพื่อที่จะให้พระเยซูเนี่ยรักษาเขาให้หายเขาเพียงแต่บอกสิ่งที่เขาต้องการพระองค์เจ้ายวชารักษาผมด้วยเขาต้องการมองเห็นต้องการหายจากปัญหาที่ตัวเองมีอยู่เขาเชื่อว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้เขามองเห็นได้อีกอย่างแน่นอนดังนั้นบาธิเมอยสทูลขอาการมองเห็นได้ ในขณะที่ยากรบและยอนที่เป็นสาวกทูลขอตําแหน่งข้างซ้ายและขวามือของพระเยซูเรื่องที่หักมุมมากไปกว่า น, นั้นก็คือว่าชายตาบอดอย่างบาเิเมอัสนะครับมองเห็นด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณมากกว่าสาวกของพระเยซูซะอีกพระเยซูบอกกับเขาว่าความเชื่อของเขาทําให้เขาหายเป็นปกติพระคัมภีร์บันทึกแบบนี้ค่ะ ความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายเป็นปกติแล้วพี่น้องคะ่ะคำพูดนี้คำกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าบาธีเมสมีความเชื่อมากกว่าคนอื่นจึงจะได้รับการรักษาให้หายพระเยซูกำลังบอกว่าความไว้วางใจที่เขามีในพระเยซูคริสต์คือสิ่งที่ได้ทาให้เขาหายและนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่พวกเราทุกคนในที่นี้ควรทำความเข้าใจด้วยเพราะว่ามีบางคนพูดว่า คุณต้องเชื่อมากขึ้นอีกนิดพระเจ้าถึงจะรักษาคุณให้หายคุณต้องเพิ่มเติมความเชื่อคุณเดินไม่ได้เพราะคุณยังเชื่อน้อยถ้าคุณเชื่อเพิ่มเติมมากขึ้นพระเจ้าจะทำให้คุณเดินได้นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นพี่น้องคิดว่าคนที่เจ็บป่วยจะรู้สึกยังไงถ้าได้ยินคำพูดแบบนี้เขาอาจจะคิดว่าเขาค่าจะรู้สึกผิด และคิดว่าโอ้ฉันมีความเชื่อน้อยจริงๆพระเจ้าก็เลยไม่ได้รักษาฉันก็เลยไม่หายจากเป็นง่อยสักทีไม่หายจากโรคลายที่เป็นอยู่สักทีพี่น้องคะที่จริงแล้วการกล่าวเช่นนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องมีปริมาณความเชื่อมากพอที่จะทําให้พระเจ้าเนี่ยประทานให้ตามที่เราปรารถนาเท่ากับว่าเราสั่งพระเจ้าได้ทํำนองว่า พระองค์เจื่อข้าเอาความเชื่อไปเท่านี้แล้วรักษาผมด้วยถ้าพระองค์ถ้าผมให้ความเชื่อพระองค์เท่านี้ขอทําให้ผมรวยขึ้นอีกนิดหนึง่งหรือเอาความเชื่อไปเท่านี้พระองค์เจื่อข้าแล้วผมขอหายจากโรครายที่ผมเป็นอยู่พี่น้องเขาไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราติดสินบนพระเจ้าหรือไม่เรากําลังเชื่อในตัวเราเองมากกว่าเชื่อในพระเจ้าพี่น้องเขาความเชื่อนั้นง่ายๆ เชื่อก็คือเชื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์การเชื่อคือการไว้วางใจการให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ปราถนาจะทำไม่ใช่ที่เราปราถนาเชื่อว่าพระเจ้าทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าในทุกสิ่งที่เรามีและในสภาพที่เราเป็นความเชื่อคือการวางภาระความกังวลใจและพักตัวเราเองเนี่ย อยู่ในพัพปัญญาและอยู่ในแผนการของพระเจ้าและนี่คือความเชื่อที่บาเทเมอสมีจบไปแล้วนะคะประการที่สองกา ร, รเผชิญหน้ากับพระเยซูกิตประการที่สมเมื่อเผชิญหน้ากับพระเยซูกิตแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมเราลองจินตนาการกันดูต่อถ้าเราเป็นบาเทเมอสเราจะเป็นอย่างไรเราวิ่งไปหาพระเยซู ทั้งๆ ท, ที่ตาบอดแล้วก็กลับมาด้วยสายตาที่มองเห็นบาธิเมอสัสนะคะตะโกนเรียกพระเยซูนะคะพอถึงตอนนี้เขาวิ่งไปหาพระเยซูนะคะเขายังมองไม่เห็นพระเยซูณตอนนั้นนะคะแต่เมื่อทูลขอแล้วพระองค์รักษาแล้วเขาก็กลับมองเห็นพี่น้องคะเวลาที่บาธิเมอสัสกลับมองเห็นได้นี่นะครับทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนถ้าเราเป็นเขาเรารู้สึกยังไงดิฉันเดา ว, ว่าบาธิเมอสคงจะรู้สึกท่วมท้นในใจิตใจ สัมผัสได้ว่าพระเยซูรักเขาใครคนที่ไม่เคยมีใครเหลียวและนะครับไม่แม้แต่อยากจะมองเห็นเขาเนี่ยนะครับคนที่ใครๆก็คอยไล่ไปไปไปไเกะกะเกะกะบัดนี้นะครั บ, ร เ, กก บ, รรบเขามองเห็นแสงสว่างมองเห็นสีสันมองเห็นผู้คนมองเห็นต้นไม้มองเห็นมือตัวเองเราคงจินตนาการได้ว่าบาธิเมอสนะครับคงจะมีความสุขมากยินดีเป็นล้นพลเขาเห็นชีวิตเห็นสีสันของชีวิต ลองจินตนาการต่อถ้าสมมุติว่าคนตาบอดคนหนึ่งได้รับการรักษาจนมองเห็นได้เขาคงจะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจนอาจจะวิ่งไปรอบรอบเมืองเลยวิ่งไปดูอะไรที่ไม่เคยเห็นเคยได้ยินแต่คำบอกเล่าแต่ไม่เคยเห็นแต่ปรากฏว่าบาธทเมอสม่าย ไ, ได้วิ่งไปรอบรอบเมืองไม่ได้ทำเช่นนั้นทันทีที่บาเทเมอสมองเห็นเธอเห็นพระเยซูปเป็นคนแรก และเธอไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการติดตามพระเยซูคริสต์เข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มไปยังไม้กางเกนและนี่เป็นสายตาของคนที่ได้เห็นและได้ยินข่าวภรคิติคุณเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้องคะเราจึงพูดได้ว่าความเชื่อของบาเทเมอัสเป็นความเชื่อที่สมบูรณ์เขาไม่ได้มาหาพระเยซูเพียงเพื่อจะให้พระองค์ประทานตามที่เขาปรารถนา เขาไม่ได้มาหาพระเยซูเพียงเพื่อจะใช้พระเยซูพอใช้พระองค์เสร็จเขาก็จากพระเยซูไปเช่นเดียวกันเลยไม่ใช่ว่าเรามาเชื่อพระเจ้าตอนที่เรามีปัญหาหรือเจอวิกฤตของชีวิตหรือตอนที่ธุรกิจตกต่ำหรือตอนที่เรามีปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่เรารักเราถึงเริ่มกลับมาหาพระเจ้าพอปัญหาของเราดีขึ้นเราพ้นวิกฤตแล้วเราก็จากพระเจ้าไป ก, กลับไปอีกแล้ว บาธิเมียสไม่ได้มีความเชื่อเช่นนั้นทันทีที่เขามองเห็นนะครับและทันทีที่พระเยซูทรงเห็นเขาเขารู้ทันทีว่าเขาจำเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างมากกว่าการมองเห็นและเขาจำเป็นนะครับที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลพิเศษผู้นี้ที่รักษาเขาให้หายชายตาบอดนี้นะครับทราบทันทีว่า การหายจากตาบอดเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสัมพันธภาพใหม่ที่ลึกซึ้งกับพระเยซูบาเทเมอัสผู้ที่ครั้งหนึ่งนะครับจากคนที่ไม่มีใครสนใจเป็นใครก็ไม่รู้มาบัดนี้ได้เป็นลูกของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่กำลังจะไปรับมงกุฎหนามในกรุงเยรูซาเล็มสามประการผ่านไปแล้วจำได้ไหมคะเรามาถึงบทสรุปแล้ว พี่น้องครับเพรเราฟังเรื่องราวของบาเทเมสเราคิดว่าเรื่องราวของเขาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไหมคะเรื่องนี้จะยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นอีกนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเองคุณใหญ่จะเป็นเหมือนบาเทเมส์ไหมที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยคุณเคยรู้สึกถูกมองข้ามแบบนี้บ้างไหมเวลาที่เรามีปัญหาร่างกายเราป่วยเรื้อรังเราเริ่มเพราะว่าคนรอบข้างเริ่มไม่อยากปฏิบัติเราแล้ว หรือในเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นเราเดินช้าลงเราเริ่มรู้สึกว่าคนในครอบครัวอาจจะเริ่มพูดถึงเราไม่ดีแล้วหรือว่าเราเพิ่งกลายมาเป็นคนโสดอีกครั้งเพราะเราเพิ่งไปหย่ามาไม่เพียงแต่รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับแต่เรารู้สึกถูกรยุทธ์และถูกหักหลังหรือว่าช่วงนี้ไม่มีเงินเลยเราเริ่มตะหนักแล้วว่าไม่มีคนอยากรับโทรศัพท์เราด้วย หรือว่าช่วงนี้เราอยากจะพพยายามพิสูจน์ตัวเราเองให้คนเนี่ยยอมรับเราแต่บอกว่าคนรอบข้างไม่สนใจเลยไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเป็นปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้งรู้สึกเหมือนเราไม่มีตัวตนทั้งทงที่เราอยู่ด้วยรู้สึกเหมือนกับคนมองข้ามหัวเราไปเลยเขาไม่สนใจเลยว่าเราอยู่ที่นั่นกับเขาด้วยพี่น้องคะ เมื่อตอนที่พระเจ้านะครับส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้ให้เรารอดจากความผิดบาปนั้นพระองค์บอกด้วยว่าพระองค์เนี่ยมองเห็นเราทั้งหลายทุกๆคนด้วยพระองค์มองเห็นถึงความเจ็บป่วยของเราพระองค์มองเห็นถึงความบาปผิดที่มันฉุดรั้งชีวิตของเราไว้พระองค์มองเห็นปัญหาแล้วก็เห็นด้วยว่าเราทั้งหลายอยู่ในสภาพที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เลย พี่น้องคะแต่ว่าพระเจ้านะครับทรงมองเห็นด้วยว่าเราทั้งหลายแต่ละคนสามารถเป็นอย่างที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้นะคะพระองค์ทรงมีประสบการณ์ความทุกข์ยากมีประสบการณ์กับพระพิโรธของพระเจ้าและพระองค์เนี่ยช่วยเราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากบาปที่เราทําดังนั้นเองพระเยซูคริสต์จึงไม่ใช่แค่มองเห็นเรา แต่พระองค์ทรงให้โอกาสเราแต่ละคนที่จะมีเส้นทางชีวิตใหม่กับพระองค์ด้วยเหมือนกับเส้นทางชีวิตใหม่ที่ทรงให้กับบาเทเมอัสดังนั้นเส้นทางชีวิตใหม่นี้เป็นเส้นทางชีวิตที่นําไปสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องข้าพ่จ้าอยากนุ่นใจพวกเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้นะครับอยากให้ท่านตะกเลเรียกหาพระเยซูสแสวงหาการเยียวยารักษาที่มาจากพระองค์ ไม่ใช่ให้พระองค์รักษาแค่ปัญหาที่เรามีอยู่แต่สแสวงหาชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์คาถามที่พระเยซูคริสตส์ทรงถามเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้จึงเป็นคําถามเดียวกับที่พระองค์ทรงถามยากอบยอนและถามบาเทเมอสัสพระองค์กำลังถามเราว่าเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทําอะไรให้กับเจ้า เราต้องการให้พระองค์เนี่ยเพียงแค่แก้ปัญหาที่มีเราที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงเพื่อที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีของโลกนี้แบบชั่วคราวเท่านั้นหรือหรือว่าเราต้องการที่จะให้พระองค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ชีวิตใหม่ของเราตลอดไปไหมเราต้องการที่จะใช้พระองค์เพียงชั่วคราวหรือว่าเราต้องการจะติดตามพระองค์ไปตลอดชีวิต สุดท้ายนี้พี่น้องคะพระเยซูคริสทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงคอยคุณอยู่พระองค์จะทรงหยุดและจะฟังเสียงร้องที่คุณเรียกพระองค์พระองค์จะเรียกคุณให้มาหาพระองค์และเหมือนกับที่พระองค์ทรงเรียกบาธิเมอสพี่น้องคะดังนั้นก้าวต่อไปขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วข้าพเจ้าอวยพร ะ, ระพรค่ะ